แล้วนันหมายถึงไอ้การบรรยายเมื่อเมื่อปีก่อนครับผมเคยให้บทสรุปสั้นๆเป็นหลักสำหรับหนดจุดจำหรดอที่เรียกภษาสมัยใหม่นะ่าสโลแกน จมกลมบ่มรู้ดูใจไม่เข้าไปในความคิดจงกลมมันหมายน่นเดินไปเดินมาหรือเคลื่อนด้วยมือก คืออันมณรูปของฐานจากฐานไม้นี่ครับมันทับถมลงในดินแล้วนานปีข้าวเกิดเป็นฐานหิ น, หนที่เรามักจะเห็นต้นไม้กลายเป็นหินอะไรใช่ไหมครับในวิทยุพันธุ์แล้วก็เพชร ก็คือรูปหนึ่งของฐานคงคงเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยใครใครไม่เคยไม่ใครไม่เคยรู้บ้างครับว่าเพชรคือคือรูปหนึ่งของฐานสแสดงควารู้ทุกคนเพชรเป็นอนุรูปของฐานครับคือเป็นรูปหนึ่งของฐานเพชรนั้นเดี๋ยวนี้เราถือว่าเป็น สิ่งที่แพงที่สุดในในทาง เ, เครื่องประดับเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนิยมมากๆที่ใช้เครื่องประดับเร า, าพิจารณาดูนะครับว่าเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดในโลกนี้ครับ เกิดขึ้นตามลำดับแล้วถูกพัฒนามาตามลาดับที่ธรรมชาติบ่มมันขึ้นมาบ่มเหมือนกับเหมือนว่าเราเคยเห็นคนแก่แกรุ่นบบราเนี่ยก็บ่มผลไม้คนแก่ก็ชอบบ่มนะทุวันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นการบ่มผลไม้ถ้าบ่มก็บ่มขายตอนผมเด็กเนี่ยพวกคนแก่ก็ชอบบ่มไว้ไว้ให้ลูกให้หลานนะ ลูกหลานไปเยี่ยมก็เดินกันไปในยุ่งเข้าเขาบม่มเขามักจะบม่มไว้ในยุง่งแล้วเอามะม่วงบางอะไรบางที่บ่มมาให้กินโลกนี้ก็จะบม่มดินนะครับฝืนดินก็จะบมจนกระทั่งเกิดเผ็ดขึ้น เราก็เจอเพชตามรรมชาติเราอาจจะไม่รู้จักนะครับมันคล้ายๆสารส้มแต่ในช่างผู้ช้านฉลาดนะครับเขาจะเอามาเจียรไนเจียรไนคือก็ตัดหน้านั้นตัดหน้านี้ตัดหน้านี้จนกระทั้งมันเกิดแสงสะท้อนแวววาวอูบวับขึ้นมานั่นก็คือตัวนายช่าง เขารู้จักเพร็รก็เลยเปิดเผยธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ของเพชรออกมาอย่างเราเราไปเห็นเข้าคงเดินเลยครับเพราะมันเหมือนสารส ม, มน่เหมือนกับก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นน่ฮะนันไม่ได้หมายใานายช่างมามาเติมไ อ, ไอ้ความ พูดภาษภาไพเราะอะไรความเจิดจรัสของมันไม่ใช่มาเติมนะฮเสียงคลุรเล็ดสำหรับตัดตัดมุมนี้ตัดมุมนี้ทีนี้มันก็แหวานนะครับแล้วหินที่มีค่าทั้งหลายนะครับหลายๆชนิดมันมีมันมีดีของมันมีดีไม่ไม่ใช่ดีไก่ดีมีนะคือมันมีดีของมันเองต่างๆ ค่าที่ชื่อว่าดาวดำรู้จักครับ black star ถ้าไปจีนอะไแบบอื่นนจะไม่สวยไม่งามครับเขาจะต้องทำเป็นรูปโค้งวงเดือนแล้วมันจะดูบอบปอบอแล้วสิ่งที่มันสะท้อนออกมาสัมพันธ์มากกับบรรยากาศและดวงอาทิตย์ดวงดาว หินชิ้นที่หนึ่งก็เลือกมูลสโตนหินหินพระจันทร์มันต้องไปส่องแสงกับพระจันทร์เพราะฉั้นมันก็ใช้สำหรับแต่งตัวตอนกลางคืนมันรับแสงจันทร์ขึ้นจะดูสวยยิ่งกว่าทองทองคำมากมายครับหินสีเหล่านี้แต่ว่า มันขึ้นกับว่ามนุษย์หรือนายช่างเนี่ยเข้าใจธรรมชาติก็เมันเพียงใดจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับหรือเป็นสิ่งที่มีค่าได้ถ้าอย่างเราเราผู้ไม่ใช่นายช่งางพลอยหรือนายช่างทองหรือเพชรนะครับเห็นข้าวเราอาจจะโยนทิ้งก็ได้ครับเราไม่เข้าใจมันว่าหินดัดดนะัดนั่นที่จริงข้างในมันเป็นเพชร ทีนี้เรามาดูครับว่าธรรมชาติได้ค้นพบมนุษย์ผมใช้คำว่าธรรมชาติได้ค้นพบมนุษย์นะครับหมายความว่ามนุษย์นี่เป็นพัฒนาการช่วงหลังของธรรมชาติก่อนหน้าที่มนุษย์คนแรกจะอุบัติขึ้นเนี่ยธรรมชาติดําเนินมานานแล้วครับนานมาก มันดำเนินมาเองนอนครับต่อทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์อากาศมันถกเถียกนนะครับนักธรณีวิทยานักฟิสิกส์ถกเียงกันว่าโลกเรานมันมาจากไหนจนทุกวันนี้ครับยังไม่ยุติคื อ, อยูเรดีมจะเกิดขึ้น ล, ลอยๆไม่ได้เพราะหมายถึงโลกนี้ครับโลก ที่ภาษาบาลีเรื่องอากาศโลกคือโลกที่ที่ภอังกเรียกเรือเอิร์คือดาวนโปเครดวงนี้ครับมันมาจากไหนนะแต่มีทฤษฎีหนึ่งี่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นจริงนะครับนี่ผมออกนอกเรื่องสั ก, ก, กนิดเพื่อจะเชื่ อ, อโมโยงทฤษฎีนี้เรื่องทฤษฎีบิ๊กแบงระเบิดใหญ่เคยที่ยินไหครับ คือสันิษานในห้วงอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลคําห้วงอวกาศไม่ได้หมายถึงนอกโลกนะตรงนี้ครับคือห้วงอวกาศเราเมื่อกี้เคยชินนึงบอกว่าข้างบนคือท้องฟ้าใช่ไหมครับที่นี่กี่ดินถ้าผมบอกตรงนี้คือท้องฟ้านะคงยจะไม่เชื่อที่จริงนี่กับท้องฟ้าเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหคือช่องว่างนั่นเองครับ ช่องว่างที่เราเห็นอยู่นี้นประหลาดสิ้นเดินครับคุณเป็นเนื้อเดียวตลอดแล้วตลอดไปถึงไหนนี่ไม่มีใครบอกได้ครับเราเดินมุดไปมุดมาจริงไหมครับเนี่เห็นช่องว่างนี้ไหมถ้าเราไม่ตั้งสติจะไม่เห็นนะครับเหมือนกับปลาซึ่งอยู่ในน้ำได้ปลาตัวหนึ่งมาถามปลาตัวหนึ่งว่า คุณเห็นน้ำมัมันจะงงมากๆเลยแต่ถ้ามันตั้งหลักกับมันในตัวมันจะเห็นมันจะเริ่มประพิมพประภายกันมาว่าช่องว่ากันอยู่ข้างหน้าเรานี่เองทีฤษดีบิ๊กแบงหรืออีกอันหนึ่ง เ, เรียกเทอร์โมนิวเคลียร์เป็นการระเบิดครั้งครังมาครั้งแรกของของเอก ท, ที่ก่อกำเนิดเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเอกภพขึ้นแล้วสันนิษฐานมีหมอกแก๊สก่อนครับแล้วมันก็รวมตัวขึ้นด้วยความเร็วดังนั้นมันเกิดแรงดันข้างในแล้วก็ระเบิดตูมขึ้นมาเมื่อระเบิดตูมขึ้นมานี่มันมันก็ส่งพวกสเก็ต ด, ดาวพุ่งออกจากกันครับดังนั้นดาวทุกดวงมันก็มังหนีจากกัน หนีจากศูนย์กลางศูนย์กลางหนึ่งเขาจับทิศทางนั้นได้ทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือมากครับจับทิศทางว่าดาวทุกดวงทุกระบบมันมันนีหนีจากจุดเดียวกันก็คือคนมันวิ่งตะเลิดเผยเพลินคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนร้อยคนแล้วมันวิ่งไปทุกๆุ ท, กทางแต่มันหนีจากจุดเดียวกันนี่นะครับ เรื่องเล็กน้อยครับก็มันไม่สำคัญะลยเราเราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เพราะยังไงเสียดีนี้เราเกิดมาแล้วและเร า, เาก็ำลังกันทุกแต่ผมจะเชื่อมโยงว่าจากนั้นมาหลายหลายล้านปีมาครับที่ว่ามนุษย์นะครับจะอุบัติขึ้นบนดาวนโเคราะห์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่า ชื่อทางอินเดียเรียกดาวราหูโลกเรานั่นก็เรียกว่าดาวราหูนะครมนุษย์เกิดทีหลังนะะดังนั้นข้าสมมุติจึงเกิดตามมนุษย์ก่อนหน้ามีมนุษย์ลงลงจินตนาการหนึ่งนะก่อนหน้ามีมนุษย์มันก็มีแต่โลกแล้วธรรมชาติล้วนๆนั่นเองครับประมาฝนตก ฟ้า้องบรรยากาศเริ่มถูกปรับตัวก็น่ามีมนุษย์มีบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งบนผิวโลกเ <c oughs> มื่อสิ่งมีชีวิตอุบัติขึ้นหนึ่งบรรยากาศของโลกก็เปลี่ยนไปทำาจนิยังชังเกตดูควาามืดนะครับมนนุ่ม ค้ามใจดีมากคล้ายๆคนแก่ใจดีของเธอ ส, สฟ้าและนั่งในห้องนุดงคนเดียวคนส ม, ม, ม, ม, ม, ม, มุนคนเดียว ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะต้องรู้สึกได้ครับว่ามันคล่องกายคล่องใจะนะถ้ายังหนักทึบจู่ทำต่อไปครับในช้าในามจะใสขึ้นเองยะเหมือนเราขุดน้ำาในบ่อนครับบ่อดินนี่ พื้นดินเราขุดไปจะหาน้ำพอเจอน้ํามันก็คือน้ําขุ่นน้าโคลนนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเราโกยตักทิ้งทั้งน้ําทั้งดินวิทยเรียก ว, วิทย์น้ำมาศาสตร์ศาสตร์ไม่ต้องไม่ต้องยั้งมือเลยทําไปทําไปไม่เช้าไม่นานา น, น้ำใสมันจะไหลออกมาน้ำใสมันซ่อนอยู่ในในดินมากกับจํานวนมาก จากความรู้สึกตัวนี่มันคล้ายๆาพ บ, พบ BACK, ตาน้ำนั่นเองเอ้ยพบพบน้ำแต่ว่ามันยังขุนๆความรู้สึกของเรายังขัดขัดคุนๆหนักๆนกทึบๆงงๆอะไรอย่างเงี้ยต่ไม่ต้องทำอะไรกันมั้งพูดได้แล้วท่านเห็นอออพูดเล่นไปก่อนนะงั้นฮะแต่ว่าเล่นคือจริงนะ เล่นคือจริงๆคือเล่นไม่มีอะไรที่ใสามากกว่าใจนะครับแล้วไม่มีอะไรที่มืดเท่ากับใจมืดดีว่าความมืด อา จ, จเป็นธ ร, รชาติที่ดีที่สุดนุม่กันเลวที่สุดได้ครับันั้ น, น, นาต้องวางใจให้ดีบุคคลใดกด็ตามผู้ชน่นกอบบุคคลใดสำรวมจิตเป็นดวงเดียวท่องเที่ยอวอไปนะรายรูปร่างสำรวมจิตดวงเดียวไว้ในถ้ำคือกาย เก็บใจไว้ที่กายนะครับคนนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารคือคือมารจะตามคล้องเราไม่ได้จะตามจับเราไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่ตื่นแต่เช้าทุกวันครับหรือทุกทุกขณะที่รู้สึกตัวได้ต้องเก็บเก็บใจไว้ในกาย รู้สึกตัวเก็บเข้าไปในตัวมันยิ่งเก็บใจไว้มากๆนี่ยิ่งยิ่งยิ่งดีนะครับยิ่งอิ่มเออบแล้วก็แข็งแข็งแรงขึ้นพรานาไมยสุขสมบูรณ์ขึ้นเองถ้าเราไม่เก็บไว้มันก็จะมันก็ต้องถูกใช้จ่ายไปใชๆงนเงินนะครับไป้เงินใช้ทองเนะี่ยใช้จ่ายมากก็ มันก็ยากจนลงร่างกายนั้นเราต้องต้องทำงานมากครับแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นจิตใจนั้นยิ่งใช้มากยิ่งอ่อนแอแต่จิตใจที่เก็บไว้มากๆจะเข้มแข็งขึ้นดังนั้นเก็บใจไว้ถนอมถนอมหัวใจเองไว้ให้ดีอย่ายอมเอาหัวใจไปไว้ที่คนอื่นง่ายนัก ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับดังนั้นถ้าเราเอาใจของเราไปฝากไว้กับอะไรนี่มันอันตรายแล้วมันคือใจไม่อยู่กับตัวจนใจไปอยู่กับบอนช่องหรือไรนอนหรือวัวหรือแม้แต่แฟนหรือคู่รักหรืออะไรก็ตามใจครับ ใจนี่มันไปอยู่ที่ไหนมันก็พวงพวงอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้าใจมันกลับเข้ามาในตัวมันมันก็ไม่จะพวงเลยกับโลกทั้งโลกเลยนะมันไปอยู่ในตัวมันจิตใจนี่เป็นส ม, สมบัติที่ล้าค่าครับ ตอนที่ผมพูดอัดลงไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อดีผมไม่ด่าใครกันนะตะกี้ตะกี้ผมพูดนะสืบอนุสนรรค์ต่อนะครับสืบอนุสน์เนื้อหาเดิมที่ว่ามนุษย์นี่เป็นเป็นพัฒการช่วงหลังของธรรมชาติ เหมือนคุณค่าสมมุติต่างๆเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ <c oughs> แต่สมมติไม่ใช่สิ่งเหลวไหลนะครับไม่ใช่สิ่งที่ที่ไร้ค่ามันมีค่าอย่างสมมติ